อย่ามาพูดถึงมรรคผลเดี๋ยวจะลืมหนูอุตสามมาถามก็เป็นเรื่องที่ตื่นแล้วเขาตือนกัมนาแล้วหนูเพิ่มมาไม่รู้มาที่ไหนอาจารย์นี่จะยาล่าฟังมั้ง <c oughs> เรื่องวันนคดีเรื่องผู้เวสนา ด, ดเมื่อสามหมื่นปีผ่านแล้วการครั้งนั้นที่สมัยป่าญี่ปานเมื่อสมัยก่อนนิโยคีเลสีสีไัยมีมาก่อนพระพุทธเจ้า เอเฮือนเดินนาาฏได้อายุถึงหมื่นหมื่นปีที่ป่าหิมะพานที่ประเทศเนปาลติดต่ อ, อไอเยียที่เราเรียกว่าเขาหิมาลัยเลยเขาหิ ม, มาลาัยไปที่หกยอดจะพบป่าใหญ่ในป่าหิมะพานนั้นจะเต็มไปด้วยถิ่นสารสาัตว์และก็โยคีเดอสีทีไพรมีมาก่อนพระพุทธศาสนาเนี่เรียกว่าชีบานาสองถิ่นผลหมากลากมาอยู่ในดงในป่าหิมะพานมาช้านาน อันนี้เล่าให้คุณฟังแล้วทไมมีมัคคลริผลประเหตุผลประการใดก็เริ่มตน้นด้วยเรื่องรทวีตนดอดนี่เล่าเรื่องเหตุที่มาของมัคคริผลอุศดีผู้ขอพรจากพระวิปัสสีก็มาธิบุษบุษถวายตุลาแก่นจันทร์ราคาไม่เท่าไหร่แต่มีค่าสาหรับประเพณีประมากตัดได้ถวายตุลาแก่นจันทร์ถือว่าเป็นเครื่องหอมเนี่ย ย้อมทาเป็นประเพณีขององค์พระมหากษัตริย์สมัยโน้นแต่ถว า, ายกับพระวิปัสสีสัมมาทุตพระทัพอธิฐานเป็นพุทธามารดาแต่แล้วพระวิปัสสีเป็นพระหันตสัมมาสมุทัยเจ้าสมัยโน้นก็เลี้ยงญาติก็ให้พรวิปปุสรีวา่าอิจิตังปฏิตังสมหงสิ ป, ปะเมวะจะมิจะตกให้พรสั้นๆ ไม่พอยืดยาวเหมือนพระสงสมัยนี้เป็นการแต่งเติมเพิ่มเติมดีตามวาลอกาสอันสมควรดูกระรน้องหญิงเธอปรารถนาสิ่งใดไม่อยู่ยใสยขอให้เธอก็เหตุตามเป้าหมายนั้นก็ขอให้เป็นเป็นพุทธมารดาในอนาคตไ ด, ด้ปุษดีก็ดีใจดีใจก็อำนาจของบุญต่อบุญบาต่อบาป ทำให้บุตรศรีนี้ได้รับพรนี้ปัสสีเป็นอัพเอกามเหสีนุสจกักรลินเิวุระเป็นเมียพระอินผู้กันอย่างนั้นเป็นหมื่นปีอยู่ที่เทวสถานวิมาเนี่ยนนั้นก็หมดพรของวิปัสสีเป็นข้าเป็นแค่เอกาคมเหสีจกักรลินเชวุระชื่อว่าบุตรศรี แต่แล้วเวลาการทุบควรผ่านมาหมดพรทุนปัสสีพระอินจ์จักรลินเจวลารู้ความประสงค์ของบุตรศษย์ว่าขอพรจากุปัสสีมาเพื่อต้องการเป็นพุทธมารดาแล้วกาจะส ต, ติหมดบุญวาสนาที่สูงสวรรค์แล้วก็จะนองส ต, ติโลกนุชพระอินทร์เจมลู้ความประสงค์ของอาเอกของมเหสีนี้จึงได้เปล่งมุทานวาจาบอกบุตรศษย์ว่าเธอ หมดบุญวาสนาอยู่ในสูงสวรรค์แล้วเธอต้องการขอพรอย่างไรที่ปรานารีบขอพรใน บ, บัดนี้เหลืออีกชั่วโมงเดียวจะหมดบุญวาสนาดูนี้อุตสเก็นึกได้ขอพรสิบประการเรียกว่าการโพศพรเบื้องตอ้นอาตมาจะขอกล่าวว่าพรเดียวคือขอมีลูกชายโสภสมีบุญวาสนาในโลกมนุษย์เพื่อธิ่ฐานที่สุดซึ่งเป็นพุทธมารดา อันนี้ขอพูดแต่พอเดียวเลยก็บุตรีก็มาจุติเพราะการสร้างบา ร, รมีไม่ดีเท่าควาโลกมนุษย์โลกมนุษย์ในโลกอิจฉาลิสยาสร้างบา ร, รมีได้ดีกว่าโลกอื่นเดียวบนสวงสวรรค์ก็ได้ความมาจุติเป็นบุตดีเป็นพระจะมาเป็นแอบแฝงทม่ให้สื่อไปจักลุงมสนฉาดตามคำขอแล้วพอพระอินก็เลียงยามต่อไปว่าออ พอสิปการยังไม่ครบจะต้องมีบทมีบุญวาสนาบารมีแล้วพระเองก็รู้ว่าจะต้องเชิญพระโพธิสัตว์ลงสู่ครันของบุตรีต่อไปเพื่ออธิษฐานกิจของพุ้ธมาดาในอนักดัึงได้ไปรัตนาพระโพธิสัตว์สู่ครันบุตรีต่อไปแล้วเกิดเป็นพระเวทยอดอย่าลืมว่าผู้ยิ่งใหญ่จะไม่เสด็จในประสาทสุวรรณ เกิดในตลาด พ, อพา่อค้าเรียกเวสสนอเอาละรวบแล้วแต่เจอความพอเวสสนาเกิดขึ้นแล้วสัสดกมหาฐานเตรียมการที่จะไปบำเพ็ญทานบา ร, รมีต่อที่ป่าหิมพานต์ไรอินจึงได้พิจารณาต่อไปว่าออเวสสนอน h i s จะไปบำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อเป็นพระพุทธเจา้าอยู่ที่ป่าหิมพานต์แน่นอน เริมได้ไปในนมิตบันดาลาร้อมด้วยละมัตรีและกัญหาชาลีเป็นต้นพร้อมกับฝากโบกกรณีครบแล้วก็มาถือโอกาสว่าถ้าหากว่ามัตรีไปอยู่ในอรัญลาวป่าธิมภพานียจะโดนพวกเลสีสกปรกลามกข้างหลายเต็มไปด้วยตามคุณทั้งาจะปลุกกล้ามนาจารย์แม่มัตรีอย่างเด็ดขาด จะเสียาการบารมีของพระเวชดเพราะยังไม่ได้สร้างบารมีครบโดยพระราชทานองอมาถึง ส, สาราศาสตร์กระดูกลาอโยคีกระส อ, อบตกลามกในป่าหิมะพานเพราะฉะนั้นพระอินจจงเนลมิตตอนมัรีผลสิหกต้นอยู่ที่ป่าเขาฝ่ายเขากุกที่ป่าหิมะพานนั้นเพื่อต้องการการมกคุณห้าเวลาพระมัตรีจะออกไปป่าในเจ็ดนี จะไปเก็บผลลหมากลากไม้นั้นเอามาให้พระส ว, วามีเป็นการอุปถัมภ์คำจุนเพื่อต้องการเป็นพระพุทธเจ้าต้องมีสองคนช่วยกะหวางสามีภระยาคู่คิดกันเป็นชายก็จริงหญิงก็แท้เป็นคนแก่ที่นบวบูชามีคู่เดียวคือพุทธเจ้าไม่เหมือนคู่คนอื่นเขาเลยก็พระเิงก็สั่งวาทุกเทศไปเนลมิรบรรณสละแล้วก็เนลมิรตนมรีผลขึ้นมา เป็นคำสาบของพรีนไม่จะต้นไม้สิปลูกได้ธรรมชาติเลยต้นมัครีพลเรียกว่าน า, นาลีผลที่ถูกตามสา์นี้เรียกว่ามัคขะมันคามล ล, ลพและหลวงผลมัครีพลแปล ว, ว่าผลนี้มาจากมัคขะมันคาเป็นกามาคุณทั้งห้าเลยก็สาบไว้ว่ า, วาออกดอกภายในเจ็ดวันสามวัน บานเต็มที่มีไปตำเดือนถึงเจ็ดวันหล่นทั้หมดเพราะครบเวลโอกาเวลาที่มาสีกับจะป่าพอดีไอเลอสีสีพลยมันจะเห็นมัสีมันจะปลูกตั้งม า, าจา์จะเสียการแห่งภูธิ์ที่จะมองปาเพณีอย่างนี้ขอฝากคุณหนูเป็นสัญญาศึกษาด้วยเลย้นมะกรีผลก็เริ่ม อ, ออกดอกไม่ตามการเวลาเหมือนมะม่วงเหมือนขนนตามการเวลาช่นี้ แม่มัดสีจะออกป่าปุ้นหมากรากไม้หมดแล้งผลมะรีผลออกดอกทันทีไอ้คนทันวิชาพรก็มาเศษสั่งว่าออกดอกมานี่เล็กเ็กมันก็บานมนุษก์ป่ใหญ่เท่ากับคนอายุ16ปีเที่ยวต่อคอบร้องเหมือนกันทุกคนเป็นหญิงทั้งหมดแล้วมีคั่วอยู่สองคั่วแล้วก็ติดมาเวลาที่8เดนกาจะหกเหมือนดอกบัว ตอนหกมงเช้าสบานออกมาร้องรำทำเพลงได้คนทันวิชาทรก็มาเจ็ยดกันว่าไอเลิสีพีพลายที่ไม่เส่เด็จชายสมบัติก็มานั่งโขนต้นพราะมันหอมอบ อ, อวนทวนในป่าหิมะพาน ใ, นในกรรมคุณทั้งห้านี้เลยก็มาเก็บไปสังว่าดนะกปรีล น, นี้หลุดแล้ว4เดือนให้หลัง5้าเดือนเกี่ยวลงปแต่คนทันวิชาทร มาเตกตังวาดมาปรีผลตวิสันยีภาคสี่เดือนสลบจึงับฟื้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ต้นไม้นี้ยังอยู่ด้วยมีพี่ผกก็อายุสามหมื่นปีแล้วนี่ล่าหนูฟังฉันสัว์แล้วทีนี้แม่มาสีกับไอ่วนมาปรีผลก็หมดไอเลสสีทีพลายก็เต็บเอาไปชมเชยแต่ห้าเดือนให้หลังมาปรีผลมันไม่มีกระดูกมันจะย่อนลงไปเหียวลงไปเหมือนดอกไม้ แล้วอ้อมไม่มีกระดูกถ้ามีกระดูกมันก็ต้องยืนยันไม่สัน่นไม่หดไม่เหี่ยวอย่างนี้เฮียลายหนูฟังสัน้นแต่ลองพ่อขอหาได้เชื่อไหมเพราเราเคยเห็นเขาเสียไว้ฝาผนังตอนรายการแล้วไม่ทราบวัดไหนตามมาใหญ่แน่ชัดพระบาทสมเด็จจ้อยู่หัวรัชกาลที่สองนยะได้แกะสลักเรื่องมรรคผลวัชิบาลหน้าต่างบานประตูที่อบานไหนจำกรุงเทพจําไ ม, ม่ใหญ่ชัดเคยไปดูมาลืม สลักไว้ชัดเจนมากตอนไม้ออกรูมาเป็นกดอย่างนี้เช้่วต่อคอปลอกแล้วหลวงพ่ อ, อนี่ก็เคยฝังใจมาเป็นเด็กเรามาตอนเป็นเด็กเล็กๆยายคอบมีกระถาพันประจําบ้านปีละสงครั้งแล้วเราเชือกผูกเราเ้อยบอกหนูเอ้ยให้ฟังเทพกระถาพันครบครันหนึ่งพันถ า, าจะเกิดทนานศาสนาทิอ่านว่างี้แล้วเราก็ฟังเรื่อยโดยที่ไม่สนใจ แต่เฮ้นื Then ้ว่าเป็นในสัยปัจจัยของเราก็ต้องเจอของดีก็จะเดบเอาไว้สมเปียดู่ทาประสมหนึ่งในลาหนูฟังมันฝังใจหลับพอดียายก็หล่ะให้หลวงพ่อฟังเวลานวดมั่ดูชัยผสมสี่บอกหล่าเนื้อตอนยายเป็นสาวสาวไปส่งปีนโตหลวงพ่อชางวัดตึกตรงปะครองปะบาบาบุษราสิงหบุรีนี่หลวงพ่อชางนี่เป็นเจ้าวาดวัดตึกราชา การเดินทุยงการข้าวเวลาเดียวแล้วสันสําเร็จฌานสมาบัตแล้วยายนี่ก็ไปส่งไปตนโต่อเป็นสาวสมัยก่อนโบนราณมาไปส่งเป็นโตที่วัดตึกทานฉันเวลาสี่โมงเชาเวลาเดียวหลวงพ่อชานนี่ตอนนั้นพระบัญญาตคณะสงรอสองร้ย็ดสมัยเก่าใครเป็นสมภารเจ้าวัดจะจากวัดไปฉีดปัญสาก็ไม่ขาดสมภารกลับมาเป็นสมภารในจำเดิม เดีย๋ยวนี้พระราอบัญจักิระสองออกใหม่สองพนานยี่สห้าถาสมทานวัดไหนทิ้งวัดหนึ่งเดือนขาดต่างรูปอื่นได้ไม่เหมือนสมัสมยรอสอรีเบ็ดมีลาคุณผู้ฟังด้วยเลยพอดีหลวงพ่อค้างสอเบ็ดทาธรรมบัตรท่านก็มาอยู่ที่ น, นั่นยายเนี่ยก็ทำตามยายช่วดก็มาส่งไปโตให้ท่านท่านก็บฉันเวลาเดียวฉันะสมกันหมดเลยข้าวหวานรวมอยู่ในบาทเดียวกัน โยมาในวันหนึ่งยายเล่าว่าไอ้แขกนี่มันหอกมาจะเป็นโยคีจากป่าชุมพานนี่ยายเล่าก็มันอมประลอดมาไอ้โยคีคนหนึ่งเส็จชานสมา บ, บัตมันก็หอกมาเกิดทะเลาะ ก, กันเลยไอ้โยคีคนนี้ประลอดตกเลยตกมาที่วัดตึกขาแท่หักหลวงพอชานเราสาหหายแล้วยายเล่า ว, ว่าเวลาไปส่งเป็นโตเนีย ถามหลวงพ่อชางบอกไอ้บอกอแคร์คุรี่มาจากไหนหลวงพ่อชางก็เล่าไ้ยายฟังว่าไอ้ น, นี่มันมาจากเป็นโยคีมาจากป่าฮิมะพานมันเหาะมามันตกลงตร ง, ตรงนี้เลยหลวงพ่อเอารักษาหายก็ไปดูสิหลวงพ่อมาจนขาแค้หายเสร็จแล้วมันก็อ่อนวอนหลวงพ่อว่าพอหลวงพ่อชา ง, ดดาาาางพูดไปแล้วภาษาภาษาพุทธพุทธะก็บอกหลวงพ่อไปส่งผมทีบ้านผมอยู่ป่าฮิมพานผมเป็นโยคี จะไปส่งเธอยังไงไอเราไปจะขุณเหยื่อเอาหลวงพ่อผมจะบอกตำราประหลอดให้แต่หลวงพ่อต้องใช้ชานเสกตำราประหลอดเลยพอดียายตมาเนี่ยไปส่งไปตัวแล้วหนูเธอไปซื้อตาอํารายาไปซื้อประลอดบางทีซื้อยาซัดซื้อโนโนิมายายจึงยด้ตำราประหลอดนี้ไว้เวลาหนูฟังเขาเรียก บ, บันหมูบันห ม, นมตลาดมอ สิงบุรีก็ไปชื่อปลอดมาแล้วก็ล่าวะลุงกอชางเสร็จก็เขี่ยปลอดพอมันเป็นเข้าไปแล้วก็ปันน่นมันก้อนเลยลุงมุนช้านะลุงมุนเชา้าย้ายก็มาส่งในโต๊ลุงกอช้างมาอยู่แหละไม่รู้ไปไหนมาเปิดกุเทดูก็ไม่มีชื่ออื่ทันอยู่ในป่าชา เ, เลยรอจนหมดเวลาจนห้าโมงลุงกช้างกลับมาแล้ว ยายก็บอกหลวพ่อไปไหนมาเออไปส่งไอ้แขบเนี้ยไปส่งที่ไหนแลเนี่ยป่าหิมะผ่านใอ้ที่เอมไปซื้อตาําราไปซื้อคืนยามาไงเย่เพราะว่าตัวให้มันอมประหลอดไปเลยยายก็จดไอ้ตำลาประหลอดไม่ให้หลับแต่ไม่ใช่หมายความว่ า, วาลหลวงพ่อทำปรลอดได้ไปป่าหิมะผ่านนะหรือจะไปคุยเลยนะลามปามเพียนไปเนี่ย <c oughs> พ่อทําไม่ได้หรอกนีเหล่ายายเล่าฟังแล้วก็ หลวงพ่อชานก็เล่าให้ยายฟังว่าป่าหิมะพานมีต้นมะกรีผุแต่ไปเนี่ยนะหนื่อยไอ้แขบไอ้โยคีมันห้ามไม่ฉันยาโยมารับเระยยาหมดบอกจะทันนะแต่ฉันไม่ก็กลับนยะผู้ติดเ็จฉันสมาบัตินี้เสื่อมได้แล้วมันจะพาไปดูมะกรีผุนเนี่ยไอโยคีเนี่ยว่าเรื่องราวไปอ ย, อย่างนี้ยงนี้รวมแล้วต่ชาวความก็ขอปิดฉากือก่อน ในเวลาการต่อมาหลวงพ่อก็มาบวชตั้งแต่ที่ย้ายเล่าเนี่ยสมายังไหว้ขงเปียอยู่เนี่ยยังเด็กแันนี้ยายตายไปแล้วยายสมาเนี่ยุค89ตายแต่คาถาพันหรืเรื่องผู้เวสช น, นอนจะทดประพอถึงนครจันทรยายเล่าไดยหมดเพราะนิยมมีมาชา้าที่บ้านถึงปีแล้วเบื่อจริงจะต้องผูกขาเราก็สาวให้ฟังให้จบ ะจะคลึกไปมากคือข้ามปลายเนี่ยเลยมันก็ฝังใจเอามาเรามาบวชใพวษษนพระพุทธศาสนาหนี้ไม่ใช่จ้างใจมาบวช ด, ด้วยศรัทธาเราแม่ให้บวชก็บวชทรงเดชเพราะเราเกิดแล้ <c oughs> ตอนย้ายนี่เนี่ยหนูเอ้ยนี่เราอยู่ทัน้นท่านอ่าชั้นจะขึ้นมาช่้มหนึ่งพอสี่เนี่ยขึ้นยมหนึ่งตรงสิงเนี่ยยายบอกเป็นโตเป็นสวรรค์พารเนี่ยเราก็ยื้อไปสบายมาก เจอเพื่อนเปลอกินเลยไปยาให้ว่ า, วากินธรรมะนี่แล้วอีนนี้ไม่ต้องเล่าเนี่ยมันจะมากไปก็เล่า ว, ว่าพอสอก็มารอศิษย์พระพอดีพระองค์เจ้าคูณพิษัยม่านเดชประทานพสหลอกพร้อมด้วยท่านสัญญาธรรมศัพท์แล้วนายกพุทธสมาคมจังหวัดสิงห์บุรีในเอื้อบุวงก็มาปรึกษาธรรมาว่านี่่านจะไปไหม ไปไประชมพูดสาที่แพงแห่งโลกที่ประเทศศรีลังกาเราก็บอกเอาไปก็ไ ป, ไปเลยก็ไปแจ้งให้พระ อ, องค์เจ้าภูมิทิ่สมัยทราบก็เอาเราเข้าล็อกไปด้วยมีพระพิสุทสององค์หลวงพ่อแพรว่าพิคุณทององค์เน้นกอไปด้กักนแล้วก็ไปประเทศศรีลังกาไปขอมาสิบห้าพอดีกับช่วงจังหวะที่เจ้าอาวาสวัดกรณีได้ฆ่านายกรัฐมนตรีตาย ประเพณีของศรีลังกาผู้หญิงเป็นใหญ่พอผัวตายเมียก็เป็นนายกเั็นมนตรีแทนผัวต่อไปเพราะว่ากฎหมายเขาเขียนอย่างนั้นยังไม่หมดสมัยนายกเมียเป็นแทนได้เพราะประเทศไทยผัวไม่ขายเมียขายไม่ได้ประเทศศรีลังกาเมียขายได้ยังมีประเพณีผู้หญิงขอผู้ชายผู้หญิงแต่งงานต้องไปขอผู้ชายประเทศไทยทําไม่ได้ก็ไม่ได้ อาวาหา ม, มุขคนหญิงเขาผู้ชายดีแต่ผู้ชายเนี่ยไม่เป็นคนดีอาภาพบุคคลไม่มีมีเมีย ไ, ไม่ได้มีใครมาขอมันก็ดีไปอย่างหนึ่งเลยก็ดีก็เล่าหลวงรัชให้สั้นขึ้นมาไปไประชุมบษชาทางโลกเราก็ลืมเรื่องนมรรคผลไปแล้ววันหนึ่งก็ไปพิโสที่เขาศรีกิะต้องการอยากจะไปดูสถานที่ว่าไอ้ธรรมินทรชาติจับละมษัตริย์มาขังไว้ตรงนี้ แล้วข้าพระเนนตายหมดเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาและจตหานิแล้วขึ้นไปดูคนอื่นก็ไม่ไปยกันเลยรถต่อดิ้งขาวั่วไม่สูงเลยหลวงพ่อก็ขึ้นไปจับแม่เนีย่ยเนืเน่องอิ่มสมบัติเป็นเจ้าของโรงเรียนหลักสี่ที่ดอนเมืองง น, นแล้วก็โยมนี้ก็เป็นโยบวนาพุทธสมเด็จพระสังฆราชตะโกนมหาสังฆปริ ญ, ญายกวัดราชวบุพิสสษสถิตมหาทิมาลาก็ในนามของพอสโล ไปไประชุมอะแต่ยอมเนื้องนี่ก็เป็นล่าไม่ลาวพูดภาษาไปแกมก็ขึ้นไปได้การสองคนแต่นอกนั้นไม่มีใครขึ้นเลยเขาบอกมันสูงแล้วก็ขึ้นไปถึงยอดเขาสองคนแล้วพวกแผกสิงห์นก็เยอะบนยอดเขาสีอียะมันสูงแล้วก็ไปดูสถานที่ที่มันจับพระมากษัตริย์ถังไว้ตรงนี้แขก็ขบอกเลยพอดีอัตมาก็เกิดจําเป็นส่วนตัว อยากจะปัดทวะไม่มีที่สูงไหนดีก็ปวดมากเลยเลยม่เนี่ยบอกท่านลงไปชั้นนู้นไปหลังเขาลงไปแลในป่าไมา่ไม่ลวกเลยแล้วก็ลงไปเลี้ยวไปเลี้ยวมาเปิดเสือเข้าไปในถ้ำเนียมาหลงก็มายัางไงเลยก็มาถึงในถม้มเจอพระองค์หนึ่งสวมผม้าดานหนวดราวหลวงลุงหลักกำลังเข้าฌานสมาบัติ แล้วเราก็ไปกราบท่านไอเรื่องปัสาวะหายไปกราบแล้วก็ท่านก็ลืมตายแล้วก็ไม่พูดอะไรส่งภาษาสิงห์นิดหน่อยและชี้ไปที่ฝาผนังถ้ำข้างในเราก็แนะไปทันทีเนี่ยนึกตำหนีในใจว่าพระสงฆ์สีร่างตาเหตุใหญ่หนอเอาสีกาสีสวยมาวันยทับเพ่ยนี้ ถ้าพอไม่นุ่งเลยทุดวันเกิดชัดๆเพียงนึกในใจเท่านั้ น, า ท, นทางทรงภาษาสิงหวอนทันทีบอกดูด้วยปัญญาอยาดูด้วยตาเนื้อแล้วแงไปทีเอ๊ะเกิดต้องหอนผิดเราก็คลานเข้าไปใกล้แต่ก็นั่นงหลับตาต่อไปคลานเข้าไปใกลเอ๊ะผิดสติไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาสังเกตนิ้วมือเท่ากันตีนิ้วเท่ากัน แต่นี้โปนี่เห็นชัดก็ต้องยาวแค่นี้จากมือสินื้โปถึงข้อนี้ไหมไม่ถึงเหรออยากมีโบนไม่ดึงไม่ถึงนี่ถึงตรงนี้ น, นื้โปเนี่ยถึงตรงนี้เลยคิ้วต่อคอปล้องเราก็มาสังเกตได้หมอนี่เราทายผิดมาเยอะเข้าใจว่าคิ้วต่อเ น, นี่ยมันคือจะต่อกันอย่างนี้แต่คอปล้องมีสามปล้องแล้วไม่มีหายตลา เต็มหมดแล้วคิ้วต่อ น, นี้ก็ได้แก่ตั้งโหมกสี่ห้าองศาแล้วตาใหญ่คนสวยนี่ตาใหญ่ตาไม่หยีคนตาหยีไม่ถือคนสวยตาเห็นชัดแล้วก็ตั้งโหมกสี่ห้องศาก็จะโค้งเป็นวงแจันขึ้นมาเนะแล้วผมสีทองทั้งหมดแล้วเราสังเกตได้าันทีว่า เราเคยรู้เรื่องนี้จากยายล่บสมดุลกับจ้หลวงพ่อช้างเรายายฟัง น, นะแล้วเราสงสัยเหลือเกินว่าพระองค์นี้สาเร็จชานจะมาบัดแน่แต่ยังไม่จะสามท่านยืนพิงสาผนังทงับทุดวันเกิดแล้วหอมที่สุดน้ำอกฝรั่งทุดขวดสามพันสู้ไม่ได้เป็นตะหมูกก็ผางต้องกำหนดกลิ่นหนอปลิ่นหนอ แล้วสวยไม่ต้องพูดกันเลยเราสังเกตได้จากจากมนุษย์ก็คือที่ไอ้ขวันเนี่ยมีเหมือนไอ้ไอ้ฝามคุดแล้วก็มีกิ่งขึ้นไปแล้วก็พับไปข้างหลังตาตาดำสีทองตาขาวสีฟ้าปากจิ้มริมพิ้มพลายสวยงามมากแกิดเราก็จำเข้าใจแล้วว่าเป็นมะพิ้าผลเลยถอยหลังออกมา ปอยล้างออกมาแล้วก็มา ป, าาามาปราท่านก็ถามว่าหลวงพ่อหลวงปู่องค์นี้ได้มาจากไหนท่านก็ทรงภาษาสิงหนว่าได้จากป่าหิมพานเลยเลิกเลิกฝึกถ้ากองเสมาชาตถ้าไม่สมาชาติสมาบัดจะไปป่าหิมพานไม่ได้คนที่ไปป่าหิมพานได้นั้นไปได้ดังนี้หนึง่งไปพอเหมาะลอดเขาช่องแคบไปได้ อย่างเนึ่งสองไปด้วยอำนาจบุญบุศลสามไปด้วยอำนาจชาติมาบัตหรือประหลอดนี้จึงจะไปได้จะมีฝรั่งคนหนึ่งขับเครื่องบินมาตกที่ป่ายุมาพานแล้วก็สามารถจะไม่ตายแตัดเกษรการออกจากป่ายุมาพานไปได้แล้วก็มาบวชในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ไปอยู่เมืองนอกเคยล่าาตมาฟังตรงกันนี่ไปโดยบังเอิญเลยต่อมาก็ขอสรุปใจความสั้นว่า ขอให้ข้าพเจ้าถ้ามีบุญวาสนาขอให้ข้าพเจ้าพบในเมืองไทยถ้าไม่มีบุญวาสนาแล้วก็แล้วไปอธิษฐานติดต่อหน้าพระสิงหนผลแล้วกรรมาก็ถอยหลังออกจากถ้ำไปแล้วไม่ต้องเบาหายปวดไปหมดแล้วก็ไปชวนแม่เนืองขอดูแม่เนื่องก็เกษตกาย ล, ลงมาเห็นด้วยกันนี่เป็นพยาสยังได้ไประกาศภูณฑลเหนเอ็ปสังลาภให้ทราบ หลังจะนั่นมาก็ลงมาก็นับสัญญากันว่าอย่าพูดไม่บอกใครต่อไปเพราะพวกนั้นไม่มีบุญไม่ขึ้นเขาสิจิยากเราสองคนเท่านั้นขึ้นมาแม่เนื่องอิ่มุ บ, บัตรบัดรนี้็ตายไปแล้วและนี่กลับเมืองไทยสรุปเกิดความสามปีผ่านได้เจอในเมืองไทยชัดวัดดูกลางพุ่งอเภอตะวุงอยู่กลางพุ่งทางที่เดินทางไปภกเียนนูนมีสมพานองหนึ่งือโต๊ะ สมภารชิตุสมาธิจักท่านดีเพราะตอนที่บวชครั้งแรกท่านก็ศึกษาราเพศไปมีก็อบครัวมีลูกผู้ชายก็มาฝากต่อมาไว้เลี้ยงจนเป็นหนุ่มแต่งงานเสร็จเรียบร้อยเลยท่านก็กลับไปบวชเป็นสมภารชื่อสมภารตุตีวันนั้นในเวลาการต่อมาเนี่ยมีกระชาชายคนหนึ่งแกนุงพาลองแรงขาดมียากิมาว่าจะพายมา ผิวอีตาเปลือยโล่งอึงวังเหม่งปากเหม่งฟานถึงเวลาที่แปดนากาก็มาถึงวัดนั้นเสร็จรอดในชา ย, ยกอยู่สี่ห้าคนแต่คนแก่คนนี้ก็มากราบในราชการก็พูดอย่างคงคายบอกพระคุณเจ้าที่เคารพผมเป็นผู้เดินทางไกลมากเหนื่อยอ่อนเลกเกินขอพักเส็จแลาตทีที่วันนี้ท่านจะเห็นสมควรนะครับขอพึ่งโผล่ช่วานทั้งเจ็ดลาตีเธอเพราะผมบ้านอยู่ไกลเยอะเกิน แล้วองภาพก่อนร่าง ก, กายผมก็ฉลาลแล้วก็ต้องเดินทางต่อไปท้ายยกประยะาทานธรรมชาติบอกท่านผู้านอย่าทับไอนี่ก็องไปที่ย า, ล, า, า ล, ลักษณะผ้ารงแรงที่นี้ต้องสิยาดีาละลัของวัดเลย้อมทานก็ฉลาดเฉลียวพอคิดว่าตัวคนนี้คงเป็นคนสุบ ข, ขัดจึงให้พักบอกโยมไม่เป็นารของหายแต่มาจะจ ะ, จะชัดเลยปูกจมปูแรงนอนเม้นตาเม้นฟางในเวลาการต่อมาก็สรุปใจความมาครบเสร็จแล้วทีแก ก็มาลาสมพานสมพานก็บอกว่าเดี๋ยวยมขอเพิ่มเยอะคืนเนี้ยยังไม่ได้คุยถามประวัติเลยอยู่ที่ไหนยังไม่ได้อัตมาประมูลยุ่งไม่ได้คุยระโยบไม่ได้ครับท่านผมมีสัจจะเจ็ดลาตีต้องเจ็ดลาตีนี่เจ็ดลาตีแล้วมีวันใหม่วันที่แปดแล้วผมจะค้างไปไม่ไมด้เสียสละแต่ขอกราบสมาชิ ก, การลาขอข อ, ขอบคุณขอบคุ ณ, ข อ, คณขอบใจท่านที่ให้เพิ่งนโสมพานในวันนี้ทอสมควร เด็กก็พานก็ไปส่งนอกวัดเพราวัดนั้นอยู่กลางทุ่งไม่นี้ต้นหนากราบไม้มองเห็นกันถ้ายก็เขาก็ไปทํางานวัดเขจะมีงานการ <c oughs> พอไปส่งแล้วหลังวัดตาประทาชายตาเท่ า, ทาออนี้ก็กราบในราชการว่าประเดี๋ยระคุณที่ขรกผมจะไม่ลืมประคุณท่านที่มาพึ่งโพชุ่มทานผมจะกราบเบียนว่าท่านฤทธิ์ทำวัดจะสะพายสี่ปีสปีนี่ท่านคงไม่ได้อยู่ที่นี่นะเขากราบเบียนไว้สั้น แล้วผมก็ไม่มีอะไรมาฝากผมจะยกของขวัญให้ในยาน่ามนวานี่ยกถวายทั้งหมดก็ยกย่าให้พอยกย่าให้เสร็จพอรัสการลาก็ค่อยเดินพี่้วกายไปตามับกระชากหลวานก็เปิดดูแล้วแก้ผ้าขาวออกมามีมะเต ป, ปรีผล2องกดแล้วก็มีผ้าขาวมีหนังสือบอกประชดระฆังเจ้ามาจากป่าที่มาฝาเลย ท่านสมทานก็ไปเรียกทายกคือว่าไม่เลื่อมไงตรงนี้บอกอามาก่อนตามอมากอนทายกก็ตามไปเขาก็หายไปที่ไหนเลี้ยงไม่ทราบก็ปัญจนบัตดนี้ไม่ทราบว่าท่านถือแน่นคือขาดแล้วก็สมทานก็มาเก็บไม้ไม่มีใครสนใจเลยเก็บไม้พอสี่ปีท่างๆามไปทีที่สองแถวคนนอนมาอกระถิ่น ป, ป่าๆแล้วท่านขอมณฑปผาต า, ามสัญญาที่จะเท้าบอกไว้พอมอนฑาผาเสร็จเนี้ยลูกทาย ศิษฏ์มาเคยอุปการละไว้เขาก็ไปทําศพหลวงพ่อเขาทำศพเสร็จเรียบร้อยดีแล้วทายกเขาก็มาพูดก็บอกนี่แกเป็นลูกสมผานใช่ไหมบอกใช่อาบบตุบาทไปไม่สนจ า, า, าูกค้าก็มานึกถึงอิษมาได้ก็มาฝากไว้เป็นเวลานา น, นถึงสี่ปีอิตมาก็เอาละสมศาสนามก็ไปเจ้าเจที่ฐานไว้ขอให้ขา้าพเจ้าเดีวพบในเมืองไทยคับข้าพเจ้ามีบุญวาสนาเคยเป็นโยธาหานของเวสสนดรมา หรือเคยเป็นผู้ตระบริษัทมาแต่ถ้าก่อนขอให้ข้าพเจ้าเดืเอดร้อนในเมืองไทยเถิดเท่านี้เองเหลื อ, อก็ฝากไว้สี่ปีนาข้าพเจ้า เ, าเคยข ย, ยน้นย่อลงไปเรืย่ย่อลงไปย่อไปคือเสียวลงไปตอนที่ได้มาวันแรกยาวหยักแล้วก็ไขย่อยลงไปเสียวลงไ ป, งไปเหมือนดอกไม้ฉะนั้นต่อมาไม่เคยใครรู้พระในวัดจะไม่รู้เลยสีป่ปีไม่เคยใครรู้เลยในสุดก็ไปเทศ ที่ใใึกสวชั้นสองในการอาจารย์ประถามเรียนเมฆในการควรพดทลกนักศึกษามาฟังเยอะอยาโดูมาฟังกันมากมายเขาก็ถามขึ้นมาในที่ชุมว่าพระจ้ามีจริงไหมแล้วก็ที่มาจนเขาเชื่อเลยถามต่อไปข้อสองเวชนนท์มีจริงปะเลืองก็หกไมคก็หกแลยเราก็เล่าเรื่องเวชนน์เรื่อยไปเลยจึงฝ่ายมาพานก็บอกมีมรรคผลเล่าซะเรียบร้อยเลยเรา เราก็ลืมไปแล้วอัยนักศึกษาก็บอกว่าท่านมีจริงนะลูกมังลีพนไม่ใช่ไม่นี่จะพูดเดี๋ยอ้าวตายฮาจริงเลยก็มาดูบรรยากาศถึงจะเปิดเผยขึ้นมาครั้งนั้นเพรฝากเขด้วยได้นคราวหนึ่งย้อนฌานสุดของขปทุนเนี่ยมาทําบุญมันเกิดที่วัดศรีบุญเลือกกรุงเทพสี่สิบก็คลองคลองแสแตกสี่สิก็คองคองสแตกรุงเทพ ค้ายุงเพศจะรู้วัดสีบุญเรืองสมภารชื่อพ ร, ร, <c oughs> ระครูปรยัตพระครูสีปริยัต <c oughs> มีพระเนเรียนปรีเยอะวันนี้อาตมาก็ไปเลยยมฌานกอนศรีพิพาที่ตาหูถุนบอกหลวงพ่อเอามากรีผลมาด้วยหลูกผ่มาจากต่างประเทศก็จะได้ดูหน่อยอากลงเพราะคนมีบุญคุณจะให้ดูอาตมาก็ใส่ตอนนั้นหยวไปมากแล้วใส่กลองมุก ไปยากไปในห้องสมผานสมผานได้ยินคุณเอยู่เนี่ยหลวงพ่อวันมีแทบเพลงดิฉันเฮ้ยนีเพลงเพลิงอะไรสิใหญ่ได้ยินไปเองหูปาดเนี่ยล้วก็บอกไม่มีท่านก็ไม่เชื่อท่านบอกเพลงนี้เพราะไม่เคยได้ยินบังเอิญเราก็เกิดรวดท้องอุจระระท้องไปถ่ายบอกชั่วมีทุกเนี่ยบอกเดินไปไแล้วก็จะควายามไปด้วยบอกไม่ต้องกลวงพ่องไป วัดี่ไหนม่มีใครก็ไปสนนะเลยเราไปทางโน้นทางนี้เปิดดูเรียบร้อย เ, ยเลยเลยมากันใหญ่เจ้าคุณมาหลายวัดดูกันเลยเลยคนที่มาเนี่ยก็โทเลยบอกลูกบอกผัวมาดูเสร็จเลยวันนั้นมาต้องสวดมนต์ทำมาจากวันเกิดมาต้องสวดดูก็เหลือเยี่ยสี่นาทีเที่ยงเลยจะมาเนี่ยกลับดึกเลยขอลาไป และอีกอันหนึ่งคุณนายโสภาสามีเป็นนายเพื่อจังหวัดจันบุรีเขาก็รู้บอกกับหลวงพอ่อทำบุญบ้านฉันที่จันบุรีเนี่ยนะเอาไปด้วยนะในแพทย์เขาจะขอผ่าทอ้องขอพิสูจน์อ า, อ า, อาตกระโหลกมาก็าไปสมาก็ตื่นก็งมัวงเช้าไปจันบุรีลําบากแล้วไปส่วนหมูฉันเทนไมทนหมทันเลยก็บอกโจเฟย์อย่าไปเลยเลยก็ปรึกษากันว่าที่ไหนผ่าไปไม่ทันเทนก็ไม่เป็นไร ชันระว่างทางเดี๋ยวเขาจะหาขโกหกแล้วขึ้นรถจากนี่โมงเช้าเนี่ยไปถึงจังหวัดระยองสองโมงเช้าแต่ไม่รู้ไปได้ไงนะไปถึงบ้านเจ้าพาวจันทบุรีเนี่ยสามโมงนนแต่ไปเรื่องอธการนี่เล่าตูวมาฟังสัจในแพทย์ก็เริ่มป่าทองแล้วกล้องส่องดูมีอวัยวะครบทุกส่วนเหมือนคนธรรมดาเอาละขอหยุติเวลาไว้เพียงนี้ ข อ, อความสุขสวัสดีจงมีแก่คุณหนูทุกคนร่วมเรียคณาจารย์ทุกท่านเจริญด้วยอายุวันหน้าสุขภาละปฏิพานธ์สารสมบัตินึกคิดจึงอื่ประการใดสมความมามาญนาด้วยกันทุกรุูทุกนามน่าโอกาสบัตดนี้เชิญก็ล่าคุณหนูฟังที่สนใจนะตนมกถามที่สองนักัตรต้นเดิมเนี่ยอไม่หลอกหลวงสมานบกิจอดี อดีตคุดตกลมป่าไม้เป็นเพื่อนกับหลวงบุเรศเป็น ก, การมาที่นี่ก็มาทายตน้นพิปุนต้นนี้ที่โคนไปแล้วที่คืวดาสองแม่สิุิมณ์บอกอายุพันปีจะดูเปลือกดูในตามลักษณะของกลมป่าไม้แล้วต้นขจักรบานที่อยู่ตรงนี้บอกแปดร้อยปีก็โคนไปแล้วแล้วมารุ่นก่อนก็ต้นมะขามไายสิทธิ์ น, นี่ก็ไม่เกินพันปี สี่ห้าอ้อมคืออ้อมอย่างนี้นะไปอ้อมอย่างนี้ใหญ่มากแต่ที่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่สองพันสี่ร้อยสสิเก้าหนูคงไม่เกิดมั้งเนี่ยเกิดยังสองสี่รอยสามสิบเก้าแม่เกิดยังก็ไม่รู้ <ś c oughs> เกิดแล้วสิแม่เกิดแล้วแล้วที่นี่วัดนี้มาเป็นป่าดวงพงพลายบ้านนี้เขาก็ไม่รู้ไม่มีความเข้าใจทั้งหมดหรืวัดนี้มีอะไรบ้าง เพราะมันวัดนี้สมัยกรุงศรีอยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเขาอาจจะสร้างมาก่อนนั้นมันมีศิลาจารึกอยูนโบสถแล้วทีนี้ก็ปอนจะรูวต้นมะขามไปสิทธบนี้ชาวบ้านเขาเลี้ยงลูกไก่ลูกเป็ดเยอะเมื่อสมัยกลางและกลาง น, านั้นมีเดียวนกเดียวมีมากมันชอบไปเอาลูกไก่เข้ามากินแล้วก็มาจับต้นมะขามนี่ ส่นมาคามนี่อยู่ในปลานี่มีต้องก็ไายเยอะเป็นชื่อเผาศพมีก็ไายเยอะก็ภผยปลาไม่ลวกอ่าไม่จับส่วนน้าทังดอกับต้นคลอยปลาดวงพงไพรมากเลยชาว บ, บ้านเขาก็ปืนมาปืนลูกซองก็มายิงเดียวเนี่อ ย, ยิงไม่ออกเวลาเบนกระปากกระบอกกับชื่อื่นมันออกแต่มายิงที่โนรยอดนี่ไม่ออกเพราะเห็นได้เขาก็ไม่สะ เขาก็มาไล่เราฟังบอกเอ้ส่นมาะขามันจะมีอะไรมื่นี่เอยิงไม่ออกเขาก็ยิงพยายามยิงอยู่หลายนัดมันก็ไม่ออกลูกจะด้านก็ออกลูกใหม่แต่ยิงไม่ออกแล้วก็เบนไปที่อื่นมันก็ออกแต่ยิงมีเหยว่อนกเหยื่ที่มันเหี่ยวเอาลูกไก่เข้ามาสมัยก่อนมีเหยื่อกีเยอะเดี๋ยวนี้หมดเปยเนี้ยหมดไปตามรพ่าศูนย์พันไปทางไหนไม่กล แล้ว า, าพอนี้ในน้า ม, มีปลาในน้า ม, มีข้าในน้ําปลาเยอะบักนี้หลังยี่พาสตรวรรษมาในน้ําจะไม่มีปลาในาน้ำจะหมดข้าวปลกคอยปลาซาปลาซิวจะไม่มีเหลื อ, อนี่นะมันเป็นความจริงของผู้แต่งทนายแล้วเลยหลวงพ่อก็ไปวิจัยก็ไปถามต้นมาขามดูก็ไปเจอฝักมาขามเอามาแกะดูทุกฝักในต้นเดิมเนี่ยมี12 m, 12 m, สิบสองเม็ดสิบสองนักศาสตรเลย ก็แต่ไม่ออกมาทูดทะลุขานถอมลงเส็งเมียแม่ว่ากาจอกปุดเหมือนด้วยยังเป็นประคามทั้งหมดเราจะนึกว่ามีฝากเดียวเนาะก็ได้หลายฝากมาแกะเหมือนจะหมดเรียกว่ามาถามที่สองนักสัตว์แล้วมาให้หลวงสมานบุญกิจแล้วก็ปลมป่าไม้หลายคนที่เป็นนักวิชาการก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยแล้วมาเป็นไปได้อย่างไงเราก็ขอวิเคราะห์วิจัยต่อไป หลพ่อก็ขอแรงชาะลวงตาไปช่วยกันถากถากไปต้นน้ำต้นดอออกต้นคอยต้นลายจริงอยูอนน่นั่นยอะก็ไปเจอแท่นประหารชีวิตนักโทษมีหินถึงสมัยเขียวแบบเกา่าแล้วมีหลักสองหลักหลัก เ, เป็นคือคาเป็นคือประหารชีวิตนักโทษเมือสมัยเมืองทมนครอในที่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยองค์พระราชาสั่งประหารชีวิตนักโทษที่ไปฆ่าเข้ามาก็ให้เ ป, ป็นะหารชีวิต ทื่ตรงนอนติดไะค่าเขาเลยก็ต่างที่นี่เป็นที่ประารธนาชนชุดยโสและอีกอันหนึ่งที่สะพานเนะีหนูนะคือหนูรอยข้ามา mm hmm. เรียกโพตมัง่มงควรจะเป็นประารธานชุิตตามั่งหรื อ, อยังไงเราไม่ทราบแต่โพนั้นก็หมดไปแล้วเมื่อสมัยทนประทานเข้ามาจิง ท, ที่วัดไปยี่สิบสองไร่ลำน้ำทูลประทานไปหมดนี่ยาวไปอยี่สิบสองไร่เป็นที่ของวัด บัดนี้ก็ต้องยกให้เวงคืนให้สนประานไปเวลาหนูฟังแต่ต้นหึงจะรู้ว่ามาขามปรยสิอยางไงหลวงพ่อรู้แลยองนี้เป็นที่ประหารนักโทษก่อนจะประหารเขาต้องบวงสรวงบอกเทพเจ้าเทวดาที่นี่แล้วก็มีเพชฌฆาสองคนหลำงทางหน้าเวลาฟันจริงๆคือคนหลังไม่ใช่คนหน้าเราสังเกตดูนะ ไอ้คนสองคนก็ลามีปีก่อนจะประหารชีวิตต่อฟังเทศฟังเทศเสร็จแล้วก็ให้นักโทษที่ถูกประหารรับอาหารคาวหวานยื่มน้นสำสาลางบางบางนักโทษก็ใจแข็งรับก็ยิ่มบางนักโทษก็ไปลมเรื่อยปลายฟังพระเทศไม่ได้ตัวเองจะต้องถูกประหารชีวิตภายในหนึ่งพระมงนี้แล้วก็ประหารเราก็รู้แล้วเวลาไอ้ประเทศจะคาบลำเนี่ยมันจะไม่ควัน มันจะล้ำสวยรอโน่นร อ, อนีอ่นไปแต่ก่อนที่จะฆ่าเนี่ยเขาว่ากันว่าผ้าอูตาเอาดึงอุดถูคือคาพอดีเลยเราไปหน้ามีแท็บผูกติดแน่นวงจะว่าดึงอุดถูหรือยังไงเราไม่ทราบนะเราะมันเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วแล้วคนหน้าล้ำเสร็จแล้วก็จะฝันแต่แล้วไอ้คนหลังที่อยู่ในฉากหลังเนี่ยเป็นผู้ฝันชับขาดเลย ขาดแล้วก็ฝักลงหลุมเราก็เนิ้ดูขอแรงครับขุดที่หลุมนี้ขุดได้สิบกระศบแต่มันก็อาจจะมากกว่านั้นครับก็โลกท่านก็ดูเลยหลวงพ่อว่าถือโอกาสบงสพเพิกุศลอีกพิษให้เผาหมวนพระสงฆ์องค์เจ้ามาติกาบังสกุนที่ตรงนั้นเสร็จแล้วก็เผาส่วนคนแก่คนเฒ่ามาไม่อีกคนเพื่อปิดความไว้ แล้วก็เอาขั้นหญินมาเก็บไว้ตรงนั้นเป็นป่ามาบัด น, นี้ขโมย ล, ลักไปหมดแล้วเป็นหญินเขียวเลยแล้วก็บรเพษษษ็์บุษบุญบุพเพฆาดดวงวิญญาณนี้เลยดวงวิญญาณก็พากันไปโอนมาขามต้นนี้ตายก่อนเขียวและแห้งหายไปเหลือแต่ต้นนี้คือต้อนลูกที่มันขึ้นอยู่ตรงนั้นแต่ต้นเดิมน่ะมันอยู่ห่างกาจมานสามวาก แต่ต้นเดิมตายไปแล้วเลยต้นนี้ก็กลายไปบ้างมีเม็ดออกมาเกิน12จสองบ้างไม่ถึงบ้างแล้วยังเป็นตุกตาตุกตุนอยู่ทุกเม็ดมีเ่เาประวัติเหตุการณ์มาเราก็มาวิเคราะห์ว่าเขาจับระหารชีวิตเขาต้องบวงสวงเทวดาบวงสวงก่อน ม, อมีเครื่องเชิงเวรมีหัวหมูใบสีมีอะไรผักผ้าพยายามตามประเพณีถึงไจะฆ่า เลยทําให้ดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่ณต้นมะขามนี้กลายเป็นมะขามกยสิทธ์เรียกว่าสิบสองนักตักเวียนไาวกายเกิดอยู่ในวัดสุสุขสารตรงนี้เองเนี่ยขอฝากไว้เป็นระดับต้นในเวลาการต่อมาทนประานก็เลิก ม, มายึดคทำครองชนประธานผ่านมาหลังจากนั้นเลยก็พวกชนประานก็เราก็ขอแรงโค่นต้นตาล แล้วเขาเกตเม็ดมะขามก็บอกเอ้ยแปลกมากลุขอแล้วงพ่อเข้าไปเรยเม็ดมะขามที่สองขสัตว์เขาก็เอาไปให้ลูกเขาเอาไปแขวนคอเอาไปแขวนโน่นแขวนนี่พอดีลูกเขาของในช่างโทมาทานทตตรถแท็กซี่รถอะไรก็ว่าไปตกจากชั้นสองมาลูกสามขวบสี่ขวบไม่ได้เขาก็ถือว่ามะขามกายสิทิ แต่หลวงพ่อก็ใบหมายความว่าจะไปบอกเขาว่ามาขามไกยสิทเราไม่เคยบอกอะเพราเราไม่รู้ไกยสิทธิแบบไหนปฏิการใดโดต้นมาขามนี่มันก็เป็นอย่างนั้นมาจนแบบนี้ก็หลายร้อยปีเด้กตนเดิมตายพอปากหนูไว้เป็นพัฒนาศิษย์สายข้อหนึ่งเมื่อสมัยก่อนนานมาแล้วใข้บางอาจารย์ดูร้ายมากใครจะไปเอาไม้แยงไม่ได้นะแล้วสระน้ําอาจารย์ทำมทาช่วยใครไปตกักใส่รถรถระเบิดเลย ดุรายบิน ญ, ญาณอคติขันกาลังลบไปสงครามในการหนวยเที่ยวลวงสารพันเรืองเป็นตน้นตายสงครามดุเป็นอสูรากายดุร้ายอยู่ที่นั้นไทยจึงเอาของไปเอาอีกไข่ต่างาจารมาไม่ได้อีกลาดอกจันทร์ก็ล า, าในเวลาการต่อมานะก็พ้ายอย่างสุดประคำมีการสร้างวัดโพก้าวต้นที่เรียกว่าวัดไข่ต่างาจานทร์ตรงนั้นพระบาทสมเด็จพระหัวทรงเสด็จ ทั้งสี่พระองค์มาถวายบาเพ็ญพระกุศลบุรีละชนไข่สงจัดแล้วสร้างโบสถขึ้นมาโอราาสาพิราชก็ตัดตุงนิแล้วทช้สมุทรสอนเป็นการใหญ่เลยวิญญาณทั้งหลายที่เกิดแค้นก็หายไปความดุร้ายก็ไม่มีเมตตาปรานีต่อกันเลยไม่เคียนเหมือนแต่ก่อนมาอันนี้เป็นความจริงที่ผ่านขอฝากคุณไว้เลยเป็นข้อคิด ทีวีไปถวายวพระกุศลเราซื้อสมภูษณ์ให้สุรกายคนที่ตายกำลังดุรายดุมากตายอย่หน้าโทสะต้องดุรายหวงแหนมากเหมือนอย่างรถทับไปชนกลางถนนตายแล้วกำลังเครียดแทนก่ออโมโหจะต้องเศ่้าถนนก่อนดุนี่พอคนชนรถชนตายรับไปสวรรค์ก็มีเหมือนในโลกมาเยงานตัวตรงนี้ก็ได้ นี่เราสรัา้นๆนั่นเรายาวเดี๋ยวหนูก็มาได้นอนกันนี่เราสรั้นให้หนูฟังเรื่องวิญญาณเป็นไดน้บางคนอยู่ผัวเมียเนี่ยทะเละาะกันแล้วเครื่องกันอุสาพานคื้นรถไปไอ้ผัวนี่เกลียดแค่นมากแล้วก็เมียก็ทะเลาะกันด้วยทะเลาะกันไปด้วยผัวขับรถไปด้วยเลยไม่รู้มันตัดสินใจยังไงไม่ทราบไม่รู้เรื่องอะไรเราไม่ทราบครับคนสองคนผัวเมียเนี่เคยมาจุบนี้ แต่ปากความเสียชังกับภรรยาภรรยาก็เสียชัยสา ม, มีในการผู้สาวเลยก็บอกแล้วสองคนขับกรรมส่วนใดเนี่ยเราสองคนเนี้ตายด้วยกันตายด้วยกันทะเลาะกันมากพุ่งเขาชนรถติดรอเลยตายก็คู่เลยดุร้ายมากเลยบงถนนาตายอยูนน่อำนาจโพสะทหากโอ้ผู้หญิงตายอยู่โพสะเรื่องผู้สาวก็ต้องไปผีดิบ วีญญาณเป็นยังไงเราพ่อไปเห็นมกกระตาเมื่อสมัยเดินผู้ดงกับมาพ่อดำในป่ามันจะมักิมักเทียวแคนจึิเลือดผู้ถ่ายเวลาที่แปดนกามันจะผุดขึ้นมาจากผีบศบเพ้าะมันมากินเลือดผู้ถ่ายน ะ, นนะนนนอนไอ้ที่ว่าฝังไว้10ปีสิห้าปีนยะไม่เนา่ามันจะมีขนยาวขึ้นมาเล็บงอกดะ บางทีเขาว่าตายไปแล้วไม่เน่าเนี่ยไม่พวกนี้ทางนี้พวกผีดิบมันจะวิเศษวิโสอะไรแล้วผมยาวมาเลยถ้าหากว่าฝังไว้นานนะฝังไว้ในดวงในป่าเนี่ยมันเป็นเวลาชานานนะไม่มีใครไปเผาไอข้ขนไม่ต่อยาวขึนมาเนะี่ยตาอย่างนี้เนะียตายที่เกี่ยวแขนสามีนะเรื่องทูสาวทีน่าตายเปฤฤฤฤฤ็นผีดิบพอขนยาวมาได้กําหนดแล้วมันจะออกมาที่แปดนาานะออกไปกินเลือดทุกทาย แล้วมากจะไปถึงเสือไปกินในพรานแปลงเป็นเมียมาพี่ลงมาฮะมีกําลังนั่งเนื้ออยู่บนนูพี่ลงมาแม่เจ็บนะในคลานใหม่ไม่ใช่พรานเก่าก็นุ่งเมียมาตามแต่ในทานหาความถสียใจไหมว่าจากแต่บ้านของตัวเองเดินมาในดงใช้เวลาถึงต้องเ้าสิบกิโลเมตรทํำไมเดินาอย่างไะถือไฟมาด้วยพี่ลงมา ไฟนั่งสือได้ถ้านในชานเก่าเขาจะยิงเลยนะยิงที่ไฟคือเสือหัวเสือเลยนี่ขอฝากเขาด้วยแล้วส่วนมากพวกนักเรียนนักวิทยาครูเทศแดนเนะี่ยถามปัญหาตามาบอกพ่อครับผมกราบจับวิทย์เจมใหม่ไปเนี่ยมาบ้านแม่ให้หนุ่งกระถุงก็บอกโขนบนรอนตายบรรนิตาก็ผีมากินก็ อ, อย่างนี้ เ, เวลาถึงที่แปดนในกิกามันจะขึ้นจากหลุมมาเลย มันจะถือไฟมา เ, เลยแต่หากว่ามีขาะจะย่งเนื้อในป่ามันจะปลอมแปลงก็เสือมาบังเสือมาเลยเป็นเมียมาบ้บอกว่าพี่ไปเฮ้วแม่ป่วยหนักลงมาเสือกินเลยแล้วศีรษะนี้มันก็ดูดเลือดกินอย่างนี้แล้ววิธีแก้ทำานายหนูไม่จ้ำก็กล่าวว่าเอาพาาระมรดมนวิธีแก้ศีดษะขุดขึ้นมาเผาเค่หมดเลือไปไม่ต้องมีกะถาเลย แต่นี้มีอันหนึ่งที่เราต้องวิจัยได้ผีเด็บก็ไม่มีอยู่ในเมืองเพราะว่า้อยวันเผาหมดไม่ใครเก็บบางทีพวกคนจีนมาลือป่าชาลือเผาหมดเอาดด้าขุดดาวเ้าแล้วตรงนี้ขุดเจอไปเจอศพผู้หญิงครับไม่เน่าเลยนะเลยคนไทยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเจ้าแม่เลยมาไหว้ตามฐานเจ้าไหว้กราบกันขอหวยนั่นแหละผีผด็บชัดโง อ า, ากด้วยอันนี้จะขอล า, ารีสานแถวนั้นเหลายาวไม่ได้หนูใช้เวลามากเนุฟังนะคนตายด้วย น, นี่คือแค่เบื้อหน้าโทสะบางคนเนี่ขืองหัวเขืงหัวแล้วกินาตายนยดูรายมากดูลายมากหัวจะไปมีเมียใหม่ไม่คอยจะได้่อไปสิงต้องไปอะไรนเนี่ยนี่บิน ญ, ญาสุรกาดูรายขอฝากคุณหนูไว้ด้วย หนูไม่จะไปกลัวผีเผอเลยครับกลัวแม่ใครกลัวผีเลยเนี่ยอ้าวอย่าไปกลัวต้องคำนดนะอย่าไปกลั ว, ว, วผีเผือปีนใจทำมีแล้วเดี๋ยวรู้แหมนาฬิคผลอย่างเนี้ยหนูไม่ง่วงเลยเนี่ย แล้วกันเอาเอาเอาจะฟังก็ไดนะ้พออ่อจะไล่ฟังเขาเจอกันแล้วมัน้องสิบกว่าปีแล้วโอ๊ยมันกลับไปตัวผีเผอแล้วจี๋ใจรอบหนุ่ยผีมันไม่มีตาโบไอ้อผีตาโบไอ้อผีโทรทัศ กะผีจะแทรมันก็ออกมาอย่างหนูดิแกเราไปกลัวแล้วผีเผลอที่ใจลูกคาถาอันผีไม่ต้องใช้คาถามีสติสมัมปชัญญะผีไม่รอกบางทีเราเดินไปนี่เนะี่ยไอแมวมาขับหนูมาแล้วเราก็วิ่งผีโวยผีโวยตายช่ไหมตายจิดตกเลยบีวซาตาย เนี่ยรู้อยู่ที่หน้าโบสถ์นี่มีต้นมะขามอีกต้นหนึ่งผีหลอกคนตายมา8คน5คนพอเดินผ่านต้นมะขามตนมะขามมันก็วานไหวเฮือเือเือเรื่อยเลยตายที่ไรเนอะตายเลยเนอะ ฟังเลยฟังเลยฟังฟังก่อนเอยวเพิ่มไปวิจัยตอนนั้นเราพ่อมาอยู่ที่วัดนี้ใหม่ๆนะมีต้นมะขามนี่หน้าโบสถ์มันจะโบดแล้วนี้แล้วลองพ่อกนะ่นั่นสมาธิในโบสถ์เมเด็กาสาวบาดเหนือยเนี่ยขี่จักรยานมาเนะี่ยจะไปซื้อกับข้าวบาันไดตรงนี้มันเป็นป่าป่าโด่งโพงทึบมากป่ายาคาแผ่แค่พอ น่ากลัวมากคนมาถามนี่ก็อายุมากมาก็เสียงโคร่งเพลงโปรแกรมเนี่ยอะไรกันเนี่ยเย็นเนี่ยประมาณที่แปดนกลาวิ่งเลยทิ้งรจักรยานรุ่งเช้าตายเลยตายเอาไว้เนี้ยบานหผีหลอกตายไปห น, นึ่งคนอีกคนอ่ะอีกสองคนหนึ่งอีกสองทมา น, น, นก็คนประมาณก็มีบุตรแล้วมีลูกแล้วยุประมาณสี่้าปีนเนี่ยบาดเนื้อเนี่ย ก็เดินมาจะไปซื้อของมาตายมาถึงโ้ น, โนมะขามวิ่งเนี่ยวิ่งเลยวิ่งกลับไปเลยบอกอะไรก็เนี่ยผีวอยผีวอยวิ่งตาง ย, ย ไ, ปไปป่วยหนักเลยเจ็ดหกเดือนผมหล่นมาเลยหัวกรนกอนใบเนี่ยนยนี่สรุปแล้ววได้ความมาตายได้ห้าศพที่เจ้าหาาม เลยหลวงพ่อก็อยากจะจับผีทวงไอ้ต้นมะขามตัวนี้ผีดุร้ายมายกแล้วก็ชวนลูกศิษย์หนุ่มๆไปสี่ห้าคนบอกเอาหม่อมาลูกหนึ่งเตรียมลงยันแล้วเรียกผีเข้าหม้อทวงไม่น้ำเจริญญาทันทีเอาก็ไดาษไปพากเวลาประมาณที่แปดนกหรือทุ่มหนึ่งผีมันคงจะอยู่ไม่ไปไหนแล้วก็ได้ษพากเลยล้วก็บอกลูกศิษย์ขึ้นก่อนโอ้หลวงพ่อไม่ยากหลวพ่อขึ้นก่อน คือไปก่อนนะคือไปก่อนเนียนนเราก็ออกนโยบายว่าเอยเอ็ง เ, เนี่ยถ้าฆ่าคืนก่อนแล้วไม่ทันภาวนาเอ็งก็คืนก่อนต่อมีผีใครจ ะ, เ, เ, ะ, จะจรเรียกเขโม่อพอเจ็ิงแล้วก็าวันไหวอยู่แล้วอะไรคือก่อนนะคือไก่อนคือไปก่อนออกขึ้นไปเนี้ยเอาเน้ยลมพัดมาถามวันเสียงหือ มาเรียนเราแล้หลวงพ่อเอาไงเอาไงเดี๋ยวจะเชิดเฮียขโมขโมผีขโมผีขโมเอ้ผีก็ไม่ขโมทีมันก็ลองฮือื้วยเอาไปสายมาพวกเราอยากัวยืนิ่ไดถึงคพนไปถึงคบมาถามบนเอาละนั่งคบมาถามตัวมาถามใหญ่มากเอาแล้วนะพวกเราตั้งสติดีหลวงพ่อจะเรียกผีขหม แล้วเอายันตีทิ้งเหตุปิดเหลือก็ผีถ่วงหน้าจะหมดเรื่องตายโอ้โหพอไปถึงตรงนั้นก็เสียงฮือๆมาจากตรงนี้เหลวไปบฟาส่งตาผีตาโตเท่านั้นปากยาวผีวมีลก2ตัวผีมีโลกเฮผีมีโลก2ตัว เขาจับได้เลยคุณหนูทั้งหลายเอ่ย IS? ไอนกแสบตาตวัวโตปีกระจายตูวใหญ่มันเอาหนูมาลูกให้มันลูกมันจิ้นแล้วโพรงมันลึกมันก็ลองที่ปืปูผึ่งเอ อ, ข อ, อเขาผึ่งไอพวกปีกมาทุบกๆๆับผมันก็ลองมันก็เสียงไปบนยอดกระขามมันก้องไปนี่ผีจับได้เ น, นี่ยนี่ทำให้คนตายเห็นไหมเนี่ยไอตัวพ น, นีมันจะเอาหนูมา มาป้อนลูกมันแต่อยู่นี่ไม่มีเ่หายากนกตัวนี้เรียกนกอะไร น, นั่นมาเจอก็คู่นะตัวใหญ่ตาโปนอย่างเงี้ยไม่ใช่น้องแสวคือบาหนูมีไหมทำไมนน่ทำคนตายมาห้าคนเนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมสติสัมปชัญญะตัวนี้สำคัญมากจ่ไหมต้องตั้งสืกิก่อนผีเหลือแหละ ถ้านเสียสติแล้วไม่เป็มบ้าก็ทรงตายจึงต้องตร้างสติประทับสี่สสสวันอย่างนี้เลยเราก็ปล่อยมันจับผีได้ดูมาในเวลาการสมควรก็รอให้ลูกมันโตเมอลูกมันโตมันบินไปได้แล้วเราก็จัดการสั่งประหารชีวิตตนประคามแล้วก็แบงขึ้นเผาถ่านไปขอเทวดา ท, ที่อืเลยก็ผีตรงนั้นหายไป นี่เพระหตี้เองเพราะฉะนั้นหนูจะเดินไปไหนต้องโยนโสมนาฬิกาเสียงอะไรตอกแกอกแตตั้งสติไว้เห็นหน อ, อนใช่รับการตอกแันไปผีวัววิ่งแต่แต่อย่างนี้ย่าตายนะตายนะขาดสติมาตองนี้า้คาค้อนตีไรสติขาด ส, สตางเนี่ยเป็นคนผีข้าเจา้าสิงคนที่ใจอ่อนขาดสตินี่ผีข้าวเกณฑผีข้าวแฉมเจ้าสิงด้วย ผลพระแพทใจอ่อนเพราะนั้นคาถาเนี่ยไม่ติดขังแต่เป็นบทภาวนาให้จิตมั่งติดไม่เลยเลืเลเลเล้ลวนติดไม่พุ้งซ่านคาถาเป็นบทภาวนาแต่ไม่สามารถว่าคาถาเนี่จะแก้ปัญหาไดา้แต่เป็นการฝึกจิตให้นะมีสติเท่านั้นถ้าเรามีสติแล้วก็ไม่ต้องว่าคาถาเนี่ยขอฝากเขาด้วยรู้ทำอะไรตั้งสติไว้ อะไรเกอกแปกกอกแปลกเออความยังไม่ทะารู้เรื่องวิ่แนวผีหลอกผีเผยที่ไหนเหนูกลัวผีไหมเนี่ยยังไม่เคยเห็นผีก็กลัวเนี่ยม่นจะไปกลัวไปกลัวผีใช่ไหมลองพ่อบวชใหม่ๆเนี่ยยังไม่กลัว แต่สมัยก่อนเนี่ยฐานเจสกูดีมันอยู่ใกลกุติอยู่ใกล้ป่าชาขอาพ่อครัวที่ไหนเวลาไปซ้วมต้งงองชวนเอ็นไปด้วยอ่าอ่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายกลัวๆกันเลยไม่เคยกลัวผีอ่าไปคนเดียวมันหัวหายใช่ไหมล่ะไปสองคนสบายมีเพื่อนคุย หรือเราจะไปย่านอะไรก็มันเราไปพระนะก็จะไปองค์เดียวได้นานเหมือนกันนะครเหมืนการแม่ซ่วมอยู่ในป่าชาโนนวัดโนนเมื่วันนี้และที่นี่รเราไ ม, ไม่มีการฝังศพนะครใครตายเผาไปหมดไมีการฝังแล้วฝังไว้ทําไมเราต้องเก็บไว้สองปีสามปีไว้ทําไมกันเผาไปเลยบางคนเก็บม่เก็บไม่บางทีสามศพบางทีสามศพเลยบ้านเดียว รอตายกันหมดเนี่ยไทยเผาเรื่องมแย่ตายเผาไปเลยร้อยวานเผาไปเกิดไปทำไมกันเนีมันหมดเรื่องไปซะมาต้องไปรอมีโขนมีละครรอมีเงินทำศพมาต้องนี้ก็ทำหน้าให้มันหมดเรื่องหมดลาวหมดห่วงไป้ายไหนทุกคนก็ต้องตายเนาะเอาความหนูไปเลยสรุปแล้วผีเนี่ย ถ้าใจแข็งผีไม่ทับสําคัญรโจรใจอ่อนโตอกโตใจง่ายาต้องตั้งสติกําหนดรู้เนอรู้หนาะเอาเสียขนยุทถีเข้าเจ้าสิงบ่อยๆเนี่ยเข่าทรงมันเนี่ยคนใจอ่อนรูมยังมีใครแม่มีมีองค์มึงไหมเนี่ยเข่าทรงกันน้องปลาเนี่ยนี่ยแล้วก็หนูอยู่ใกล้ลายจุงน้่ยเคยมาเขาไหมเหนือยุทถีเนี่ย พวกนี้หวจะออกมาไหว้หัวเลกกันเคยมาหทไหนหัวเปลวกเคยมาน้องเคยมาไหมอดีมากดูอาจารย์เคยไปหมเห็นไหมเทยไไหว้นะไม่ทันสมัยเลยเขาไหว้กันทั้งนั้น ไม่วายเขามั่งซีแม้ตรงนี้หัวจะออกเนี่ยลดไส้ตับไป เ, เลยระค่าเยอะหมดเราไปสอนผู้ศีพรามาบอกว่าสารคทีเพิ่งเราผีและเจ้าไมา่มีต้องไปชนะกลุ่มมาถึงพวกลุงขาวมานั่งวายไปแ้วหมดทานทางมามาวายเขามาัเอาผ้าหม่มซะดีเลยเนยผ้าแพลสีสวยแม่อะไร แต่อย่าไปพูดแต่แล้วเขาศรัทธากันนะอย่าไปขัดคอเขาเลยช่างเขาเยอะเขาศรัทธาเนี่ยมันก็ไม่มีผลสรุปแนี่ยประเดใจความว่าต้องมีสติอย่างที่สอน